เป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับเป็นธรรมดาพระโกนทัญญะวันนี้เป็นวันเข้าพรรษาประวานนี้ก็เป็นวัน อาสาฬหาบูชาจะว่าไปแล้วก็ทั้งสองวันเนี่ยก็ถือว่าเป็นวันพระใหญ่พวกเรามักจากชอบไปทำบุญไปให้ทานไปรักษาศีลไปภาวนากันสองวันเนี่ยแล้วว่าเป็นวันบุญมีญาติธรรมมาเยี่ยมมาคุยก็ถามว่าไปไหนมามาจากไหน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 เรื่องของบุญเนี่ยเป็นเรื่องทันสมัยทันสมัยอยู่เสมอเรื่องของบาปเรื่องของอบัยามุขมันล้าสมัยไปแล้วมันเลิกแต่ละล้าสมัยเดี๋ยวนี้เขามุ่งเรื่องการทําบุญการเข้าพรรษาเราคารวะญาติโยมเราไม่ได้ไปจำพรรษาเหมือนพระกุญเจ้าที่วัดก็ไม่เป็นไรนะเราถือเอาสาระตรงนี้ก็ได้เรามาเข้าพรรษาที่กิจทิฏจารของเรา เข้าภรษาทางใจมันปัจจุบันกว่าคือการเข้าสู่คุณธรรมคุณงามความดีเอาใจเราเนี่ยเข้าสู่คุณธรรมหรือดึงเอาคุณธรรมเนี่ยเข้ามาสู่จิตสู่ใจของเราเรามาเข้าภรษาตรงนี้กันดีกว่าคุณธรรมเนี่ยก็คือการเริ่มจากการคิดดีพูดดีทำดีคุณธรรมแบบเนี้ย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 ที่จะไม่เบียดเบียนใครเดือดร้อนทั้งคนอื่นแล้วก็ตัวเราด้วยเริ่มต้นที่ความคิดจิดมันก็สําเร็จแล้วสําเร็จลงไปที่ความคิดพูดดีคือไม่พูดคำหยาบไม่พูดส้อเสียบไม่พูดเพ้อเจอ้อพูดจริงคําสัจคําจริงพูดคำไพเราะอ่อนหวานพูดมีประโยชน์ทูกาละเทศะเนี่ยนี่ก็พูดดีแล้วทําดี ทำดีทำอะไรก็ได้ที่เราจะ้องการจะทำแต่สิ่งที่เรากระทำนั้นจะต้องไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนชีวิตเขาไม่เบียดเบียนไม่ฆ่าไม่ทำลายเขาไม่ทรมานชีวิตคนอื่นแต่ในทางตรงข้ามเราก็มีความเมตตามีความกรุณาให้อภัยเราก็ไม่รักกมย ในสิ่งที่เขาไม่อนุญาตไม่รักขโมยเขาไม่โกงเขาไม่เอาเปรียบเขาในทางตกงข้ามเราก็เห็นแค่ตัวเสียสละมีน้ำจิตน้ำใจเ อ, อื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันความไม่เห็นแก่ตัวนี่ดีนะมีประโยชน์มากเราต้องมีน้ำใจบางครั้งเราอย่าทำตนเป็นลูกจ้างเสมอไปอเช่นว่าถ้าเขาไม่จ่ายล้วก็ไม่ทาอย่างนี้นะ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 บงังคังว่าก็มีอย่างนี้บ้างนะใ น, ในใจิตใจเราเราจะได้มีใจิตใจที่สงบภูมิอกภูมิใจสบายใจในที่เราก็ทำถ้าเราทำเพื่อจะต้องการค่าจ้างถ้าเขาไม่จ้างเราไม่ทำเนี่ยใจเราก็เริ่มแห้งแล้งไม่ภูมิใจรับเงินแล้วก็ทำงานอย่าง น, นี้ไม่ค่อยภูมิใจสู้ทำงานแบบไม่รับเงินเนียยมันน่าภูมิใจนะใจสบายมีความสุข บางทีเรต้องมีแบบนี้บ้างไอ้ใจว่าจะต้องรับเงินตะพึ้นเตอร์ปืออันนั้นมันก็จะไม่มีความสุขจิตใจจะแห้งแล้ได้แต่เงินเอามาใช้ได้มันก็หมดส่วนที่รับจ้างอเราก็ทําไปและส่วนที่น้ําใจเราก็ต้องมีบ้างเนี่ยอันนี้มันจะเป็นความสุขนอกจากเราจะไม่ผิดลูกผิดเมียสามีปริยาไกลเราก็ทําดีโดยการสันโดษทําดีสันโดษสันโดษในคู่ครองของเรา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 การกระทำอะไรก็ตามเนี่ยเราลองมีสติรูปแบบธรรมดาบ้างแบบธรรมชาติแบบเป็นกลางๆงเดินก็รู้แบบธรรมดาวางใจเป็น ก, ากลางๆงการทำอะไรก็ตามลองวางกิตวางใจแบบธรรมดาเป็น ก, ากลางกลาดูสิบางทีมันจะผ่อนคลายนะใจมันจะผ่อนคลายไม่เครียดไม่ยึดติดในอารมณ์ต่างๆ ต, ติดอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยอารมณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยถ้ารู้แบบธรรมดาเป็น ก, ากลางกง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 การนั่งอ้โนี่รูปนั่งเกิดนะเห็นรูปเป็นนามรูปนั่งเกิดพอเปลี่ยนไปนอนโอ้รูปนั่งก็ดับและรูปนอนเกิดขึ้นมาลุกขึ้นยืนนะสมมติเราลุกขึ้นยืนนะรูปนอนมันก็ดับไปเกิดรูปใหม่คือการยืนพอเปลี่ยนไปเดินอ้าวรูปยืนหายไปละดับไปละเกิดเป็นรูปเดินขึ้นมาการขึ้นไหวตัวอย่างเป็นการเกิดดับเท่านั้นเห็นความสุขนะความสุขโอความสุขเกิดขึ้นมา มีสติรู้แบบธรรมชาติธรรมดาใจเป็นกลางๆใจนความสุขเกิดขึ้นแล้วความสุขก็หายในความสุขดับไปแล้วที่มันเกิดความทุกข์จิตทุกใจไม่สบายใจอ้ความทุกข์มันเกิดขึ้นในใจเนาะเดี๋ยวความทุกข์มันก็ดับไปนะมันมีการเกิดดับในความสุขความทุกข์ยิ่งความคิดยิ่งแล้วเลยความคิดเนี่ยอ้คิดอะไรขึ้นมาสติรู้